การเป็นมาหรือว่าพื้นฐานของตนเองจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเ อ, อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นําพระธรรมคําสอนมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราให้บรรพบุรุษของพวกเราเ อ, อที่บรรพบุรุษพวกเรายอมรับามาตั้งแต่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 หลวงตามหาบัวหลวงปูล่าที่หลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาแต่หลวงปูแหวนหลวงปูฟันหลวงปูอ่อนหลวงปูเทศหลวงปูขาวครูบาอาจารย์จนมาถึงปุ่นรุ่นต่อต่อกันมากัรล้วนแล้วถึงแต่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนจากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติผู้ปฏิบัติอย่า ง, างที่หลวงพ่อได้พูดู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้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 เออเราจะไปเหมือนไปตะก่อนก็ไม่ได้แต่สมัยก่อนใช่ไปเที่ยวป่ารงพงไพยไปภาวนาอยู่ในถ้ำตามตามประวัติของท่านแต่หลวงพ่อเองก็เถอะถึงมาถึงรุ่นของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปดูผู้ผาป่าไม้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลายแห่งแต่ทุกวันนี้ที่หลวงพ่อไปผู้ผาป่าไม้เหล่านั้นที่ถ้าเหล่านั้น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 ต่อคุณงามความดีต่อมรักผลนิพพานข้าพเจ้าหวังมรักผลนิพพานเท่านั้นในจิตใจนั่นะถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดจิตใจของเราเนี่แกล้วกลา้าไม่ว้าเวเหวอ้างวางังเงียบเหงาซึมเศร้านี่นเพราะอะไรเพราะเราไปอยู่อย่างนั้นเราจะไปซึมเศร้าได้ยังไงเพราะอยู่ในสนามรบเข้าไปก็เป็นั่งภาวนาดูจิตใจของตัวเองในขณะนี้มันคิดไปทางไหน